ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราชธานีนั้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันปะชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะ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 กราบทูลของเทวดาภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ควงต้นราชสาระป่าสุภควันกรุงอุกัทะขณะที่เรานั้นหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความรำพึงอย่างนี้ว่าเทวโลกชั้นสุทาวาสที่เราไม่เคยอยู่มาเลยตลอดกาลนานี้ไม่ใช่ใครๆจะเข้าถึงได้โดยง่ายยกเว้นเหล่าเทพชั้นสุทาวาส ทางที่ดีเราควรไปหาเหล่าเทพชั้นสุทาวาจจึงได้หายไปจากครงต้นราชสาระนั้นไปปรากฏในเหล่าเทพชั้นอวิหาอย่างรวดเร็วเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุต์นับจากกับนีถอยหลังไป91กับพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโครว่าโกนทัญะมีพระชนมายุประมาณแ0ดหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงต้นแครอยทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญ ได้แก่พระขันธะและพระติสักมีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุ1นึ0 0 0รูปครั้งที่สองมีภิกษุแสนรูปครั้งที่สมีภิกษุ 80,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีนาสพมีภิกษุอโศกะเป็นอุปถากเป็นอัครอุปถาก มีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดครูงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์เป็นอย่างนี้การบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้การบําเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างนี้การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้การแสดงธรรมจักของพระองค์เป็นอย่างนี้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 พระสิกขีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกละถึงพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสิกขีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในกลับที่31นั่นเองพระเวสสุูพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกละถึงพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ในพระเวสสุูพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกาม จึงได้มาเกิดในที่นี้ในพัทระกับนี้เองพระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคามณพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้ า, า, า, จ า, า, จาได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและถึงพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจันท ร, ร์ในพระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคามณพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้ า, า, ค, า, จ า, า, จาคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ในพัทระกับนี้เองบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ มีพระโคดว่าโคตมะมีพระชนมายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงร้อยปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยตรัสรู้ที่ควงต้นอัศสทสธธะทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลนะมีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูป พระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพมีภิกษุอานน์เป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากมีพระเจ้าสุโธธนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดมีกรุงกระบินพัตเป็นราชธานีการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของพระองค์เป็นอย่างนี้การบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้การบาเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างนี้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 ได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุทัศสาถึงที่อยู่เราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอตตป่า <BLACK> และชั้นสุทัศสาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุทัศีถึงที่อยู่ครั้งนั้นเราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอตตป่าชั้นสุทัศสาและชั้นสุทัศีได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นอากนิถาถึงที่อยู่ในหม <inefficient Belgian Teil> หู่เทพนั้นมีเทวดามากมาย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 มีพระชนมายุประมาณ8 0ดห0ปีตรัสรู้ที่ควงต้นแครไฟลทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันทะและพระติสสะมีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ 168,000 รูปครั้งที่สองมีภิกษุแสนรูปครั้งที่สามมีภิกษุ8 0 0ห0รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ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 การแสดงธรรมจากรของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข้าพระองค์พระพืชพรหมจันทร์ในพระวิปัสสีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุ นับจากกลับนี้ถอยหลังไป31อกลับพระสิกขีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและถึงพวกข่าพระองค์พระพุทธโรมาจันในพระสิกขีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในครามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในกลับที่31นั่นเองพระเวสภูพุทธเจ้าด้วยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและถึงพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจารย์ในพระเวสภูพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ในพัทระกับนี้เองพระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคมณพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและถึงพวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจันท ร, ร์ในพระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคมณพุทธเจ้าพระกัสสะปะพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกาม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 ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโคตมะมีพระชนมายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงร้อยปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยก ร, รัสูอที่ควงต้นอัศทะทรงมีคู่อัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคลานะมีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รรูป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 การแสดงธรรมจากของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข่าพระองค์พระพฤฒิพรหมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้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 จึงทรงมีทมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วแลมาหาประทานสูตรที่หนึ่งจบ 2. มหานิทานสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ปฏิจจสมุปบาทเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อกรมมาสธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระ อ, อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึง้งสุดจะคาดคะเนดได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานน์อย่าพูดอย่างนั้นอานน์ปฏิจจสมุบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึง้งสุดจะคาดคะเนดได้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 เพราะอะไรเป็นปัจจัยชารารมรณะจึงมีควรตอบว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชาติจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีควรตอบว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยพบจึงมีหรือ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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกะบริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้อานนน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 ท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชราและมรณะก็คือชาตินั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่พบเป็นปัจจัยชาตจึงมีดังต่อไปนี้ ก็ถ้าพบคือการมาพรูปพบหรืออรูปพบไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชาติ ก็คือพบนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่อุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอุปทานคือกามุปาทานความยึดมั่นในกรามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิสีละประตุปาทานความยึดมั่นในสีนพรสหรือ อตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนทั่วทุกแห่งเมื่ออุปท า, านไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปท า, านดับไปพบจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเห ต, เหตุเหตุเกิดและ ปัจจัยแห่งพบก็คืออุปทานนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเธอเพิงทราบเหตุผลที่ตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีดังต่อไปนี้ ก็ท่ตันหาคือรูปตันหาอยากได้รูปสัตธตันหาอยากได้เสียงคันทตันหาอยากได้กลิตระสะตันหาอยากได้รสโพธพะตันหาอยากได้โพธพะและธรรมตันหาอยากได้ธรรมารมณ์ไม่ได้มีแก่ใครในภพไหนไหนทั่วทุกแห่งเมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับไป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 เธอพึงทราบเหตุผลที่เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายะสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนไหนทั่วทุกแห่ง เมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปตันหาจะปรากฏได้หรือท่านพระอนุนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอา น, นุนเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งตันหาก็คือเวทนานั่นเองอา น, นุ์ด้วยเหตุดังนี้แล เพราะอาศัยเวทนาตัณหาจึงมีเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาการสแสวงหาจึงมีเพราะอาศัยปริเยสนาลาภการได้จึงมีเพราะอาศัยลาภวินิเชยะการกำหนดจึงมีเพราะอาศัยวินิเชยะฉันทราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงมีเพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะ ความหมกมุ่นฝังใจจึงมีเพราะอาศัยอัจโชสานะปริหะการยึดถือครอบครองจึงมีเพราะอาศัยปริหะมัฉริยะความตรณีจึงมีเพราะอาศัยมัฉริยะอารักะความหวงกั้นจึงมีเพราะอารักะเป็นเหตุบาปอากุศุรธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือศัตรา การทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูด oh ข <m> ึ <sh> <m> ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จอานน์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุ u s u t r ธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จเธอพึงแทบเหตุผลที่อารักะเป็นเหตุบาปอา k u s t r a ธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะ การแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จ ด, ดังต่อไปนี้ก็ถ้าอารักขะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออารักขะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอารักขะดับไปบาปอาคุสุลธรรมเป็นอเนกจะเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าเกิด e ขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุและปัจจัยแห่งบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้ การถือศาสตรูการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จก็คืออารักะนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยมัชชริยะอารักะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยมัชชริยะอารักะจึงมีดังต่อไปนี้ ก็ถ้ามัชชริยะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อมัชชริยะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะมัชชริยะดับไปอารักะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานุนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนุ์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอาระะักะ ก็คือมัรชริยะนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยปริคหะมัรชริยะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยปริคหะมัรชริยะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าปริคหะไม่ได้มีแก่ใครๆ ใ, ในภพไหนไหนทั่วทุกแห่งเมื่อปริคหะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะปริคหะดับไป มัจฉริยะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งมัจฉริยะก็คือปริฆหานั่นเองอานนข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยอชโชสานะ ปริาหะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยอัชโชษานะปริาหะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอัชโชษานะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออัชโชษานะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอัชโชษานะดับไปปริฆหะจะปรากฏได้หรือท่านพระอนุนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ